เรื่องเล่าผีหลอนตอนพบผีกลางวันเรื่องที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์จากพระอาจารย์จำเนียนศิลเสธโทวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่เรื่องราวมีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ที่วัดสุคนทาวาด ช่วงออกพรรษาแล้วอาตมาได้เดินทุดงทุกปีไปไหนระหว่างออกพรรษาเงินก็ไม่เอาไปไหนก็เดินหรือจะมีญาติโยมช่วยค่ารถให้เป็นตอนตอนบางครั้งมีพระติดตามช่วยจ่ายค่ารถให้บางแห่งได้มีลูกศิษย์รับส่งเป็นช่วงๆบ้างตอนนั้นอาตมาไม่จับเงิน เพิ่งมาจับเงินที่วัดถ้ำเสือนี่เองเพราะเป็นประธานสงฆ์ต้องรับผิดชอบมากมายในกิจที่ต้องใช้เงินอาตมาได้ออกทุดงทุกปีบางปีก็ได้เจอเสือเจอช้างบางปีไปถึงเชียงรายเชียงของเพื่อไปศึกษาหาความรู้ต่างๆจากผู้รู้ไปอยู่วัดนั้นคืนหนึ่งวัดนี้คืนหนึ่งแล้วเดินทุดงต่อไป ครั้งหนึ่งอาตมาเจอพระภิกษุแก่องค์หนึ่งเดินในป่ามานานชนานาญในเส้นทางขาเขมรลาวและพมา่าอาตมาได้ถามหลวงพ่อว่าท่านจะไปไหนหลวงพ่อท่านก็บอกว่าผมจะไปทางพมา่าอาตมาก็ขอร่วมทุดงไปด้วยจนกระทั่งจะเข้าพม่า ก, กับท่านท่านก็บอกว่าอย่ากโกนคิ้วนะ อยู่เป็นพระพมา่าไปเลยแล้วเที่ยวได้หมดเพราะพระทางการก็ไม่เกี่ยวด้วยไม่ต้องทําพาสปอร์ตเดินทางอะไรเขาก็ไม่เกี่ยวขอให้ท่านอย่ากโกนคิว้วทั้งนี้วันหนึ่งพอฉันเช้าเสร็จก็เดินทางต่อท่านก็พูดว่าระหว่างเชียงของเขตเชียงรายต่อแดนพมา่าแถวนี้มีพวกผีกระเรียงอยู่ คุณอยากเห็นไหมผีกระเรียงมันจะเดินนำหน้าช่วงตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกผีพวกนี้จะเดินนำหน้าทันทีคุณอย่าไปทักอย่าพูดนะแต่ดูได้ถ้าพูดด้วยจะหายทันทีอัตมาก็เดินตามหลังท่านไปก็คุยเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างแล้วท่านก็ชี้ให้อัตมาดูบอกว่า เห็นเรียงลหะออาตมาบอกว่าเห็นแล้วแต่งตัวเหมือนพวกกระเรียงแบบเต็มยศเลยตานี้ไม่ปิดลืมตาไปตลอดไม่กระพริบเดินหันหลังให้เราเดินไล่ไปเลยไล่ไปให้ทันพอผีกระเรียงเดินออกข้างทางก็หายเว็บไปเลยไปไหนไม่รู้มองหาก็ไม่เห็นก็เลยถามหลวงพ่อไปว่า หลวงพ่อครับมันหายไปไหนหาไม่เจอหลวงพ่อก็บอกว่าเห็นเหมือนกันว่ามันเดินออกข้างทางแล้วหายไปทันทีเลยแล้วหลวงพ่อก็พูดอีกว่าอยากเห็นอีกไหมต้องค้างคืนที่นี่หรือย้อนหลังไปก็ได้แล้ววันพรุ่งนี้ออกเดินทางก็จะเจออีกซึ่งผีขเรียงตนนี้ เป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีวิธีดูว่าคนนี้เป็นผีหรือคนเป็นมนุษย์หรือไม่ให้ดูที่ตาถ้าเป็นมนุษย์ต้องกระพริบตาแต่ถ้าเป็นวิ ญ, ญญาณเขาจะไม่กระพริบตาถ้าแปลงกายมาเป็นมนุษย์ตาจะสีแดงกว่ามนุษย์ถ้าเป็นพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์ตาจะมีสีฟ้าถ้าเป็นเทวดาแปลงกายตาเหมือนมนุษย์แต่ทุกประเภท ถ้าเป็นวิญญาณแล้วจะไม่กระพริบรตาอีกประการหนึ่งคือเท้าจะไม่ติดพื้นจะลอยอยู่สูงจากพื้นนิดหนึ่งอัตมาก็บอกท่านว่าเย็นมากแล้วหลวงพ่อไปพม่า ก, กันดีกว่าตกลงเดินทางกันต่อระยะทางก็ห่างจากหมู่บ้านเเรียงมากแล้วจวนจะมืดพอดีก็เลยหาที่ปักกรดกันหลวงพ่อท่านว่า จะปักกลดตรงนี้ล่ละอัตมาก็ว่าจะปักตรงนี้หรือมันมีรอยช้างนี่แล้วรอยเท้าช้างก็มีขนาดใหญ่ช้างคงตัวใหญ่มากหลวงพ่อครับพ่อผมเป็นพระทุดงมาก่อนท่านบอกว่าเวลาปักกลดอย่าไปปักที่ทางเดินช้างทางลมพัดแรงหลวงพ่อก็ว่า ผมเดินป่ามานานมากกว่าคุณราวๆห้าสิบปีได้แล้วดูสิว่ามีแมลงมุมชักใหญ่ที่รอยช้างแล้วช้างไม่ผ่านมานานแล้วอาตมาพูดต่อไปอีกว่าก็ถูกอย่างที่หลวงพ่อว่าแต่พ่อผมบอกว่าถ้ามันกลับมามันก็จะเดินเส้นทางเดิมที่เคยเดินมันจะไม่เดินออกนอกทางเรื่องของคุณนิมนต์นิมนต์น ผมปักกลดตรงนี้แล้วอาตมาก็เลยไปปักกลดอยู่อีกที่หนึ่งตรงจอมปลวกแล้วบนจอมปลวกนั้นมีต้นไม้อยู่ก็เลยเอาเหล็กขอเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้แล้วขึงลงมาแขวนกลดซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่หลวงพ่อปักกลดมากพอสมควรพอตกดึกเกือบเที่ยงคืนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดมีเสียงไม้หักดังสะเทือนไปหมด เดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอมาใกล้ๆจึงแลเห็นเป็นช้างอัตมาก็คอยดูว่าถ้าช้างมันหันหัวมาทางอัตมาก็จะวิ่งอย่างเดียวแต่ไม่เห็นหลวงพ่อถอยไปไหนยังคงอยู่ในกรดพอช้างไปหมดแล้วก็เงียบไปหมดกรดหลวงพ่อก็มืดอัตมาก็คิดว่าช้างทั้งโขลงคงเหยียบยิ่งกว่าทำนาเสียอีก แน่นอนว่าต้องตายแต่ก็จะลองเรียกท่านดูหากท่านยังไม่ตายก็จะหาว่าเราไม่มีเมตตาก็เลยเรียกท่านไปหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับพอเรียกหลายคำท่านก็ขานว่ารับครับอัตมาก็หาหลวงพ่อว่าอยู่ตรงไหนได้ยินแต่เสียงก็เลยเอาไฟฉายส่องดูเห็นกรดของท่านม้วนกลม หลวงพ่อเล่าว่าช้างตัวหัวหน้ามันมาถึงก่อนแล้วก็จับกรดและตัวท่านม้วนไปทั้งกรดแล้วก็วางไว้ข้างทางแล้วมันหันหน้ามามองมันยืนเฝ้าเลยมันสะบัดหูปุกปักได้ยินเสียงชัดเจนดีแต่เห็นไม่ชัดเห็นแต่ง่ายยาวขาวๆจนโขลงช้างเดินไปหมดหัวหน้าช้างจึงไปแล้วเป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละ อาตมาเลยตัดสินใจตัดกรดเอาท่านออกมาปรากฏว่าขาและแขนท่านหักเดินไม่ได้ปวดบวมและเจ็บมากรอจนรุ่งสว่างแล้วอาตมาก็ไปตามพวกเกรเียงลูกศิษย์ของท่านเพื่อให้ช่วยรักษาเขาบอกว่ามียาดีไม่เกินเจ็ดวันก็หายเดินได้เหมือนเดิมส่วนอาตมา ก็ขอเดินทางต่อไปคนเดียวเลยไปพมา่าไม่ได้เพราะไม่มีใครนำทางกลับไปเชียงรายดีกว่าก็ถามทางเขาว่าทางไหนไปเชียงรายก็ต้องเดินตัดภูเขาอัตมา ก, ก็เดินไปเรื่อยเืจนถึงต้นไม้ใหญ่นึกว่าจะนั่งดีหรือจะนอนดีแต่พอมองผ่านต้นไม้ใหญ่ก็เห็นเสือลายพาดกรอนแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่มาก สันชาตยานกลัวตายก็เอากลดที่แบกปักลงไปแล้วเอามือป้องกันตัวว่าถ้าเสือมาทางไหนก็ถูกกลดก่อนละสําหรับเสือแม่ลูกอ่อนมันก็มองแล้วถอยหลังนิดหนึ่งพอลูกมันวิ่งมันก็วิ่งตามลูกมันไปเลยอาตมาก็เดินต่อไปข้ามภูเขามาออกเชียงรายใช้เวลาเดินทางสามวันก็ถึงเชียงราย ที่หลังไม่เอาแล้วเพราะอาตมาเดินป่าไม่ค่อยจำนานเย็นก็เย็นมากยิ่งเวลากลางคืนหนาวเย็นหน้าดูจนนอนแทบไม่ได้ต้องลุกขึ้นออกกำลังกายพอถึงเชียงรายแล้วอาตมาก็ขอถุงพลาสติกเพราะเอาผ้าคลุมไม่อยู่มันเย็นเฉียบเข้าไปข้างในอาตมาเลยเอาถุงพลาสติกมารัดที่มือที่เทา้า พอร้อนก็เอาออกทำสลับกันไปเรื่อยๆอาตมาตเดินทางผ่านหมู่บ้านก็เรียงชาวบ้านเตือนว่าในหุบเขาข้างหน้านั้นงูดุมากไปถึงก็เจองูจงอางจริงๆมันชูคอยกหัวขึ้นขู่สูงมากอาตมาตก็เอาผ้าชุบน้ามันถือไว้แล้วคอยดูพอมันมาใกล้ก็จุดไฟเหวี่ยงแล้ววิ่งเลย เจอครั้งเดียวเท่านั้นไม่เจอมากก็วิ่งหนีอาตมาตเดินทางเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งพวกกะเรียงบอกว่าท่านไปที่แห่งอื่นได้ทุกที่แต่อย่าไปหูเขานั่นพระหลายองค์เดินไปแล้วหายไม่กลับมาอีกเลยในป่ารกนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยพวกกะเรียงก็ไม่กล้าพวกมูเซ์ก็ไม่กล้าเข้าไป ใครเข้าไปก็หายไม่ได้กลับมาเลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรอาถรรพ์อย่างไรก็ไม่รู้อาตมาก็กล่าวว่าต้องไปอยากรู้ว่าทำไมชาวบ้านก็ว่าพวกอยากรู้นะ่ะที่ว่าอยากรู้ก็ตายกันทั้งนั้นท่านอยากรู้เป็นองค์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วอาตมาก็นึกถึงว่าสมัยญี่ปุ่นเข้าเขาเล่า ว, ว่ามีงูใหญ่อยู่ แล้วทหารญี่ปุ่นเดินผ่านเข้าไปตายเป็นแถวเกือบหมดแต่คนหนึ่งเอาปืนไปพิงไว้เพราะดูว่ามันหายไปไหนก็เลยสลับลงมาพอดีถูกปืนเกิดเลือดไหลลงมาจึงรู้ว่า ง, งูก็เอาระเบิดไปทิ้งจนขาดเป็นท่อนๆเขาเล่ากันมาอย่างนั้นอาตมาคิดว่าต้องเป็นงูแน่ก็เลยให้เด็กกะเรียงคนหนึ่งตัดไม้ไผ่ยาวมาให้ เดินขำไปข้างหน้าขำไปเรื่อยคิดว่าเจองูมันยับก่อนน่ะแทงไปทางน้นแทงไปทางนี้แทงลงดินพอไปถึงริมป่าริมเขาที่เขาบอกว่าพระไปแล้วหายพอแทงลงไปในดินมีตัวต่อบินขึ้นมาเป็นหมื่นๆมื่นตัวน่ากลัวมากตัวใหญ่ยาวตัวใหญ่เกือบเท่าหัวแม่เท้า ใหญ่กว่าหัวแม่มือสักนิดตัวก็ยาวน่ากลัวสีดาขึ้นแล้วลงวุบหายไปเอาใบไม้มาปิดทันทีอะไรวะก็เอาไม้แย่ลงไปอีกทีก็ขึ้นตูมบินว่อนออกมาแล้วลงวุบหายไปใต้ดินและดับใบไม้เร็วมากปิดปากหลุมไว้อัตมาเห็นดังนั้นก็วิ่งไปหากะเรียงบอกว่ามีต่อมีต่อตัวใหญ่มาก เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนต่อหอยนะ่ะอยู่ในรูดินเอาไม้แยงปุ๊บขึ้นมาเลยขึ้นมาเป็นหมื่นหมื่นตัวพวกเขาก็ว่าต่อหอยต่อหอยดังกันลั่นหมดมาหมดหมู่บ้านเลยมาถึงก็บอกให้อัตมาออกมาเสียอย่าไปยืนดูอัตมาก็ออกเขาก็จูงมือออกมาอยู่ห่างเขาไม่ให้ดูว่าทำอะไร เขาเอาใบไม้ไปสมไว้ใส่เข้าไปเป็นกองแล้วเอาไฟจุดพอสมไฟมันก็บินขึ้นมาถูกไฟตายหมดความร้อนข้างในทำให้อากาศไม่มีต่อหอยจึงตายหมดทั้งรังพอตายหมดแล้วเขาพาอาตมาไปดูและเขาเอาไม้พาดไว้ให้อาตมาลงไปดูก็เห็นเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่เป็นชั้นชั้น แต่ว่าทำไมพระหายไปบาทก็ไม่เหลือทีแรกก่อนที่จะเผาเขาก็ว่าอยากดูไหมเอากระดูกไปพันผูกกับไม้แล้วก็แทงใส่ลงไปมันกัดกินจนหมดไม้ก็แหว่งไปด้วยแม้แต่ลวดเหล็กก็ยังเป็นรอยพอแทงไม้ลงไปกระดูกหายไปเลยแสดงว่าเป็นหมื่นหมื่นพันพนตัวมันแย่งกันกินถึงบอกว่า ถ้าคนตกลงไปก็ไม่เหลือช้างก็ตายเสือก็ตายถ้าลงไปแล้วมันช่วยกันกินเร็วมากๆพวกกระเรียงบอกว่าหมูตัวไก่ตัวหรือหมาตัวหนึ่งทิ้งลงไปตุ่มเดียวก็หายหมดเลยมันแย่งกินกันหมดเนื้อที่เหลือมันพาไปไว้ในรูก็หลุมที่เขาเผาต่อหอยมันลงไปเป็นชั้นๆอัตมาไม่ได้ลงไปหรอก ดูอยู่ที่ปากหลุมเขาก็ทำกระไดลงกันไปเขาบอกว่ากินกันทั้งหมู่บ้านไม่หมดหรอกกินกันได้เป็นเดือนๆต่อหอยนะ่ะอันตรายอัตมาก็รอดไปได้อีกที่หลังใครไปที่นั่นอีกก็ไม่ตายแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืม